ผู้ทั่วสวัสดีคะ่ะันฝั่งที่ครบค่ะแต่การสันนิสนทนนะคะหลังสมกรารเราก็ยังอยู่เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่ว่าจะมีวันหยุดอะไรหรือไม่ก็ตามทีถ้าไม่ตรงเสาร์อาทิตย์แล้วพบกันแน่นอนนะคะตีห้าถึงตีห้าครึ่งดิฉันสันนินาพงดํดำเนินรายการ ค, ะค่ะวันนี้เป็นวันที่ดิฉันตั้งใจจะไปกราบเรียนถาม พระอาจารย์ภพยบูนอภิปุโนหรือว่าพระมหาภัยบูนอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายศูุดรธานีซึ่งเป็นประสงค์ที่มาให้ความรู้พวกเราว่าพระพุทธค์นั้นได้ตรัสสอนอะไรเอาไว้บ้าง น, น, น, นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความตายดิฉันนึกถึงความตายที่เกิดช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างที่น่าเวทนาก็มีกรณีที่เขาไปเล่นสงกรานต์เป็นสงกรานต์โฟม นวัตกรรมใหม่ของการเล่นสงกา ร, รในประเทศไทยมั้งคะเพราะดิฉันเพิ่งเคยดยีนปีนี้ก็ไปเจอไฟฟ้าช็อตแล้วก็เสียชีวิตหรือว่าถ้าเยอะๆหน่อยก็พวกอุบัติเหตุนะคะจากการเดินทางทั้งหลายมีทั้ง200กว่ารายที่เสียชีวิตกำลังเ ป, เป็นๆอยู่ดีโดนรถชนโครมเสียชีวิตไปเลยหรือบางทีก็ออกจากบ้านมาไม่มีวี่แววเลยว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยวูบไปก็ไปเลยอย่างเงี้ย จึงเกิดความสงสัยนะคะว่าการอธิบายคําว่าความตายของทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีธรรมะอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างตอนนี้ก็เตรียมตัวปฏิบัติธรรมพบกับพระอาจารย์ไพรู์หรือพระมหาไพบูนกันได้เลยนะคะกราบน้มัศการกันท่านคะเชิญพานในเรื่องของความตายผู้รูเช่าได้เคยพูดถึงเรื่องของมรณะสติแต่คือให้ตั้งสติไว้ ว่าเหตุปัจจัยในการตายของเราเนี่ยมีมากก่อนที่จะไปพิจารณาเรื่องของมรณสตินะพระเจ้าให้ความหมายเกี่ยวเรื่องของการตายก็คือในการที่เราจะมาตั้งสติก็คือให้เราใช้ลมหายใจซะก่อ น, นใช้ลมหายใจของเราในการที่จะให้จิตเรามีฐานที่ตั้งแล้วก็ไข้ค ร, รวญในพุทธพจน์ที่ความหมายที่พระเจ้าได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความตายในระยะของเรงสสี แต่ที่บายไว้อย่างนี้บอกว่าพิสุทธิ์ตรงหลายก็อริยสัจคือทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศก ค, ความร่ําราลําพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ก็ความตายเป็นอย่างไรเล่าคือการจุติการเคลื่อนการแตกสลาย การหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งกันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากจำพวกสัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นๆนี้เราเรียกว่าความตายพิษู์ทั้งหลายมรณนะสติอันบุคคลปึงเจริญกระทําไม่มากย่อมมีผลใหญ่ มีอันนี้สองใหญ่คือเธอในกรณีนี้ผ่านกลางคืนมาถึงกลางวันแล้วย่อมพิจารณาเห็นว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากคืองูฉกเรามแมลงป่องต่อยเราหรือตะขาบกัดเราหรือว่าเราอาจจะเดินพลาดลม้มลงอาหารไม่ย่อยน้ำดีกำเริบเสมหากกำเริบ หรือธาตุลมกำเริบหรือว่าพวกมนุษย์หรืออมนุษย์จะทำรายเราความตายก็จะมีแก่เรานั่นจะเป็นอันตรายของเราเธอพึงพิจารณาสืบต่อไปว่ามีอยู่หรือไม่หนอะบาปอากุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้แล้วจะเป็นอันตรายแก่เราผู้ทำกาละคือตายลงไปในวันนี้ ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอกุศลอย่างนั้นมีอยู่เธอพึงกระทำซึ่งฉันทะความเพียรความุตสาหความกำักขมันความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะละเสียซึ่งบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้า หรือศีรษะอันไฟลุกโผงโผงแล้วช่วพึ่งทำจันทะวายมะความอุตสาหะความกำะหม่คเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันในกัจฉันนั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอากุศลธรรมอย่างนั้น ไม่มีอยู่เธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโม้นั่นแหละตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายมรณสติที่เมื่อเธอเจริญกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สองใหญ่เป็นธรรมที่อย่างลงสู่อมตะมีความเป็นอมตะเป็นที่หวังได้ นี่คือการให้เราพิจารณาในเรื่องของความตายเจริญพรค่ะสาธุค่ะด้นฝั่งที่เ ข, ขาค้นั้นก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องเกี่ยวกับความตายที่ดิฉันได้เปิดประเด็นกับพระอาจารย์ไพบูรณ์ในตอนต้นนะคะทีนี้ก็อยากจะให้ท่านช่วยสรุปให้เข้าใจใง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสว่าความตายนั้นมีความหมายอย่างไรคะ่ะเจริญพรพูดถึง คำนิยามก่อนนะหรือนะว่าไอ้คำว่าตายเนี่ยหมายถึงอย่างไรอันแรกที่พระเจ้าอธิบายคือคําว่าจุตินะจุติก็คือการเหมือนกับเทวดาเขาจะจุตินะก็คือจะตายจากความเป็นเทวดาแต่นะประเดนคําว่าจุติเนี่ยจะไม่ได้ทอดทิ้งร่างเอาไว้คือกายหายไปเลยแต่เวลาเทวดาตายก็คือกายหายไปเลยนะคือจุติออกไปนะอันที่2คือความเคลื่อนแต่นะประเนลักษณะความเคลื่อนอย่าสมมุติจิตเรานะเคลื่อนจากการรับรู้ของเวทนา เคลื่อนไปการรับรู้ในสัญญาอ่ามันเคลื่อนไปละแสดงว่าจิตนั้นตายจากการรับรู้ตรงนี้ตายไปละไปอันอื่นต่อไปอันนี้ก็ได้น ะ, ะการวายชีพต่อไปคือเรื่องของการวายชีพการตายการทํากาละการแตกแห่งขัน น, นนี่จะคล้ายคล้ายกันก็คื อ, อเราต้องมีมีกายแล้วก็ตายคือขันเนี่ยมันดํารงอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างในกายของเราเนี่ย มีอยู่ทั้งหมด5ขันนะัคือธาตุสีดินน้ำไฟลมใช่ไหมนี่คือรูปประขัน <Okay. S 1> นะแล้วก็มีวิญญาณขันที่สำคัญ <Okay. S 1> มีวิญญาณขันธาตุสีก็มีทั้งหมด5ขันธนะาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็วิญ ญ, ญาณอาตตนะถ้ามันอยู่กันไม่ได้มันแตกออกจากกันนะกายนี้ก็คือตายไปอย่าง <Okay. S 1> นี้ไปตอ่อนหรืออีกประการหนึ่งคือการที่ mm hmm. ทอดทิ้งร่างนะเช่นว่ามันตายจิตก็ ไปที่เกิดใหม่ก้าวลงสู่กายใหม่ไปอินทรีย์คือชีวิตนี่คือการทอดทิ้งเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความหมายของคำว่าตายในตำมวยไร้เงินงั้นถ้าดิฉันเข้าใจดิฉันจะเข้าใจว่าหมายถึงความตายที่ท่านอธิบายเนี่ยที่พระพุธองตรัสเอาไว้แล้วท่านไทรบูรณ์อธิบายเนี่ยมีความตายหลายแบบตายอย่างแรกเทวดาตาย ใช่ใชตายปุ๊บก็คือไม่ทอดทิ้งร่างจุตเขาเรียกว่าจุติใช่ค่ะอประการที่สองคือการเคลื่อนที่ท่านบอกเป็นการเคลื่อนของจิตเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตายแบบที่คนไปรถชนตายไฟช็อตตายอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นการที่ดับของจิตเราถูกต้องถูกต้องที่นี่ไปเกาะที่นั่นถูกมใช่ใช่ใช่นะคะอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมอยู่อย่างเนี้ยพยายามจะให้จิตรู้กายคือลมหายใจอืแต่จิต ไปรู้ความคิดอันนี้ก็ถือว่าเคลื่อนแล้วถูกต้องถูกต้องค่ะทีนี้ถ้าเป็นการแตกสลายหายไปวายชีพทำการละการแตกแห่งขันทั้งห้าการขาดแห่งอินรีการทอดทิ้งร่างอันนี้แหละคือตายแบบที่ที่เราเข้าใจกันเข้าใจกันใช่ในะคะอ๋อท่านผู้ฟังเราทบทวนอีกนิดหนึ่งนะคะการขาดแห่งอินรี หมายถึงไงคะท่านคะอินทรีย์เนี่ยแปลว่าชีวิตอย่างปุ๋ยอินทรีย์สารอินทรีย์พวกนี้คือสารที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นการขาดอินแห่อินทรีย์ก็ในยันนี้ก็หมายถึงลมหายใจมันขาดไปลมปราณขาดไปการทอดทิ้งร่างอันนี้ก็ยังเข้าใจง่ายนะคะอ่าใช่ใแต่การแตกแห่งขันทั้งห้าเนี่ยเดี๋ยวท่านคิดว่าอาจจะต้องย้ําอีกสักนิดนึงค่ะเอ่อก็อย่างในกายของเราจะมีขันในรูปเบธนาสัญญาสังการวิญญาณมันรวมตัวกันอยู่ในช่วงยิ่งรูปขันเนี่ย ซึ่งแยกออกเป็น4ีธาตุธาตุสีดินน้ำไฟลมแล้วก็มีวิญ ญ, ญาณธาตุเข้ามายึดถือเอาธาตุเนี้ยโดยความเป็นตัวตนณพอมีวิญญาณธาตุยึดถือเอาธาตุสี่นี้โดยความเป็นตัวตนนะวญญญตอเอาทานวท น, น, นะนาสัญญาสังขารก็ตามมาด้วยแลณมันอยู่ในกายเพราะไอ้ธาตุสีอย่างนี้รวมกันเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ณนะเช่นว่าอย่างพระอาหารหันตะ์ณพระพุทธเจ้าได้พูดถึงการที่วิญ ญ, ญาณเนี่ยเข้าไปซ่องเสพรูปโดยความเป็นตัวตนณนะเอาไรา เอาความเพลินนะเอาความเพลินเป็นที่เอาไปซ่องเสพนะมีราคะอยู่มันก็ก้าวลงยึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวโดนได้แต่ถ้าเผือว่ากายนี้หยึดถือไม่ได้วิญ ญ, ญาณดับไปกายนี้ก็ไม่เรียกว่าตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นการที่สลายไปแตกกันไปปรางนั้นค่ะคือคือเหมือนกับถ้าอย่างอธิบายแบบที่ฉันจะอีกแบบหนึง น, นะครท่าน<ด><ด>ลองพ<ด>ิจ<ด>ารณาดว่าถูกหรือผิดคือเหมือนกับว่า ถ้าเราพูดถึงขันก็มีอยู่ห้ากองใช่ไหมคะใช่คือรูป เ, เวทนาการจําได้หมายรู้ เ, เวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกค่ะสัญญาสัญญาสังขารจาได้ไหมรู้ใช่สังขารการปรุงแต่งไปวิญญาณเป็นตัวรู้เน่ยหมายความว่ามันไม่ถ้าจะสมบูรณ์มีชีวิตเนี่ยจะต้องประกอบอยู่ด้วยกันทั้งห้ากองถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องในกายของเรานี้นะคะแต่ถ้าหากว่ามันแตกกันไปกระจัดกระจาย อันนี้ถือว่าตายอยู่ไม่ได้ใช่อยู่ไม่ได้ค่ะมีประเด็นตรงนี้หนึง่งเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนอการหายไปมีคําหนึ่งที่ว่าการหายไปตรงนี้อย่างเช่นเราหลับไป <c oughs> แล้วเราก็ตื่นขึ้นมานะอยู่ๆก็หายไปไม่รู้หายไปแปดชั่วโมงฝันก็ไม่ได้ฝันอะไรต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าการตายเหมือนกันนะอ่าคือบางทีเราหลับแล้วตื่นขึ้นก็ตายจากชาติหนึ่งไปชาติหนึ่งอันนี้ก็เป็นความหมายตรงนี้ด้วยค่ะอ สรุปแล้วอันนี้เป็นคําอธิบายเรื่องของควา ม, วามตา ย, ตายแต่ความตายที่พระพุทธงรัตต์อธิบายนั้นไม่เพียงแต่ตายแบบเราๆท่านๆตายคือเสียชีวิตร่างเรื่องมันจะแตกสลายไปในที่สุดแบบนี้ยังมีตายอย่างอื่นอีกอาจารย์อ๋อทีนี้ดิฉันก็จะกลับเรียนถามต่อไปละคะ่ะว่าเอาแบบเราตายดีกว่าอ่าก็มันคล้ายๆมนุษย์เราเนี่ยชอบพูดถึงเรื่องตัวเองแล้วดิฉันเองก็ชุก สนใจเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างกระทันหันนะคะก็อยากได้ปัญญาว่าถ้าเป็นสิทธิ์ฐาคตแล้วควรจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความตายคนทั่วไปเนี่ยทำไมถึงกลัวความตายกันในความเห็นแั้จะมาคิดว่ามันเหมือนอย่างเวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเรายังมีกำหนดกลับสามวันหวันคุณไปเรียนต่อประเทศต่างประเทศสองปี5ปีแต่ว่าความตายเนี่ยถ้าจากกันแล้วเนี่ย มันไม่ได้เจอกันอีกเลยนะเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยคนทั่วไปเขาจึงกลัวกันแต่นี้พระเจ้าสอนยังไงเกี่ยวกับเรื่องความตายแต่ว่าอ่ะเนี่ยแหละความตายมีความหมายอย่างนี้แล้วยังไงแต่สิ่งที่เราควรจะต้องรู้กับความตายก็คือว่าความตายเนี่ยเป็นที่ตั้งของสติก็ได้นะอ่ามันคอยเตือนสติเหมือนกับลักษณะว่าเป็นเทวทูตคอยเตือนเราแตว่าเอ้ยคุณทําอะไรอยู่ตอนนี้คุณทาความดีอยู่หรือเปล่าอันนี้คือในยะที่หนึ่ง เือให้เราตั้งสติไว้ให้ได้นะเกือเรียกว่าคำนี้ก็เรียกว่ามรณะสติ น, น, นี่ก็ที่หนึ่งข้อที่2ในตัวความตายเองที่เรารู้ถึงความความหมายของมันแล้วก็ต้องรู้ถึงลักษณะของมันด้วยว่าแม้ความตายเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะใครบอกว่าความตายเที่ยงแท้แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ใจอะไรผิดหรือเปล่าเพราะความตายนี่มันไม่เที่ยงนะเออถ้าเหตุของความตายมีอยู่มันก็จะมีความตายได้แต่ถ้าเหตุของความตายหายไป ความตายก็จะไม่มีนะเราก็ลอง<ม>พูดถึงเส้นทางสู่ความเป็นอวตะคือไม่ตายอย่างนี้ค่ะอันนี่ข้ดี่สองนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยขนาดที่ก็ศึกษาธรรมะพอประมาณยังเผอตอบเลยค่ะว่าสิ่งที่เที่ยงแท้คือความตายอืมแล้วข้ามริงความตายไม่เที่ย ง, ย, งยังไม่เข้าใจค่ะมันมีบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆก็ทําไมความตายไม่เที่ยงล่ะอ่าก็ต้องก็ต้องอธิบายก่อนว่า สิ่งที่เรียกว่าความตายเนี่ยเป็นกล่องที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นอาศัยอะไรมันต้องมีการเกิดนื่อเพราะมีการเกิดจึงมีการแก่และการตายอันนี้เป็นจริงที่พระเจ้าตรัสไว้แต่ถ้าใครเกิดมาแล้วเนี่ยอย่างที่คุณโยมติว่าน่ยแน่นอนฟันธงว่ามันต้องตายอันนี้คือความแน่นอนอันหนึ่งเพราะอะไรเพราะเหตุแห่งความตายได้ถูกสร้างไว้แล้วแตถ้าใครเกิดมาแน่นอนฟันธงร้อยเปอรต้องมีการตายทุกวันนี้อัตราการตายของคนในโลกก็ยังร้ออยู่ นะเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาไง ม, มันไม่มีประเทศไหนที่คนล้นโลกคือหมายความว่าทุกคนต้องตายหมดร0อแน่นอนนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าการที่พระเาบอกว่าความตายไม่เที่ยงเพราะว่าเหตุของความตายเนี่ยที่เราบอกว่าการเกิดเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะถ้าไม่มีการเกิดการตายไม่มีแน่นอนนี่คือประเด็นเนะพราะฉะนั้นแสดงว่าการตายเนี่ยดับไปได้ถ้าการเกิดดับความตายก็ดับไปได้ คืออยาเกิดก็จะไม่ตายถูกต้องย่งนั้นคะใช่ถ้ามันไม่มีอะไรที่จะให้เสียเนี่ยมันจะไปเสียอะไรเพราะฉะนั้นความเสียจะปรากฏขึ้นไม่ได้ค่ะนะอันนี้เป็นลักษณะของสิ่งที่อาศัยการในการเกิดขึ้นค่ะคือต้องมีการเกิดต้องมีการตายถ้าการเกิดไม่มีการตายก็ดับไปเพราะฉะนั้นการตายก็เป็นของเกิดมาแล้วค่ท่านค่ะใช่นี่คือเกิดมาแล้วแล้วไม่ตายได้ไหมคะไม่ได้เกิดมาไม่ตายไม่ได้ก็ถึงบอกว่าอัตราการตายยังร้ออยู่ ถ้าเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องตายถ้าตั้งอยู่แล้วยังไงก็ต้องดับไปเคยได้ยินว่าวิชาพระพุทธเจ้าทำให้เราไม่ตายไหมคะอ่าเพราะว่ามันดับเหตุของการตายไงอ่าดับเหตุของการตายอะไรเป็นเหตุของการตายคือการเกิดนั่นเองน้นะดับตรงนี้นะจิตไม่ได้มีการก้าวลงไปที่ไหนไม่ได้มีการเคลื่อนนะ่ะทำให้การเกิดไม่มีนะการตายก็ไม่ปรากฏนะค่ะคือแปลว่าถ้าศึกษา ความรู้ที่พระพุทธองตัดสอนเอาไว้เป็นพุทธพจน์พุทธวจนะเนี่ยเราสามารถจะดับการตายได้จะดับการเกิดได้ใช่ใชจากการที่ดับการเกิดได้ถูกต้องถูกต้องค่ะนะดับเหตุของมันค<ะ>่ะอ่าประเด็นที่น่าสนใจที่เมื่อสักครู่ข้ามาคือเรื่องของการที่ใช้ความตายเนี่ยเ็นก็เรื่องเหมือนกับเทวทูตคุณยมติยวเทวทูตค<ะ>่ะแต่ซึ่งเรื่องของเทวทูตเนี่ยน่าสนใจเพราะว่า เคยตรัสไว้เกี่ยวกับโยมทูตนะคือโยมบาลนะ่ะที่เราเคยดูหนังภาพยนตร์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะปยายมใช่ไหมพี่พบมัจจุราชอะไรเนี่ยแหละใช่ที่พี่ภพมัจจุราชหรือปยายมเนี่ยจะถามผู้ที่ที่จะจ่ออยู่กับประตูนรกเนี่ยน ะ, ะว่าจะตื่นสติของผู้นั้นแต่ว่าคุณระลึกถึงเทวทูตที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์บ้างได้หรือไม่นั่นหนึ่งในเทวทูต5อย่างนี้จะคือความตาย แต่ว่าเราเห็นคนที่ตายแล้วอ่ะแล้วเราเราระลึกได้ไหมว่าคุณจะต้องทําความดีแต่ถ้าสมมุติตอนที่เราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเราเห็นคนตายเราผ่านงานศพเราเห็นงานศพเราไปงานศพแต่ไม่ได้นึกถึงเลยว่าตัวฉันนี่ก็ต้องตายเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ทําความดีนะเพอเท <c oughs> วทูตถามตรงเนี้เราจะระลึกไม่ได้ถ้าระลึกไม่ได้คุณก็พ่วงนู่นเลยไปนรกนะ <c oughs> แต่ถ้าระลึกได้คุณก็ยังไปสวรรค์อันนี้คือกรณีของคนที่ที่จะจ่อไปนรกนะ คือถ้าทำบาปมากๆก็ไปนรกเลยไม่ต้องไปหายมบาลแต่ถ้าทำดีมากๆเหมือนกันก็ไปสวรรค์เลยไม่ต้องไปหาโยมบาลมีจริงๆหรอคะยมทูตเนี่ยคะมีมีมีมียายมตรงนี้ตัดไว้ใช่ใช่เป็นพระสูตรเรื่องว่าในเทวทูตสูตรอยู่ในมัจจุมาิกายค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเทวทูตนะถ้าเราเห็นคนตายในหนังสือพิมพ์ตายด้วยวิธีใดก็ตามแต่อันนั้นเป็นเทวทูตมาคอยเตือนสติเฮ้ยเ้คุณคุณทำความดีเถอะความดีเถอะเพราะเดี๋ยวคุณก็ตายเหมือนกัน ค่ะแต่ว่าท่านกำลังจะบอกว่าพระพุธองเนี่ยได้ทรงเตือนให้เรารู้จักใช้เทวทูตให้เป็นประโยชน์คือฉุกคิดว่าควรจะทำความดีดคนสมัยใหม่นี่เขามีการพูดถึงเรื่องเมื่อรู้ว่าความตายจะมาถึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะพูดเปลนอีกแบบนึงคะ่ะ ก็จะมี20สิ่งที่ต้องทําก่อนตายคือต้องไปขึ้นเขาเอเวอเรสต์สักครั้งหนึ่งไปอะตอนไหนไปทำอะไรกินอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกอันนี้บรูเชียก็ก็บอกเหมือนกันว่า3สิ่งที่ต้องทําก่อนตายมอสิ่งแรกใช่ใช่คือคือการประพฤติชอบทางกายการประพฤติชอบทางวาจาและการประพฤติชอบทางใจ3สิ่งเนี้ยคุณต้องทําก่อนตาย่คะ เมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าการมีมรณสตินะีมรณสติเนี่ยคือการที่ระลึกถึงความตายใช่ไหมว่าถ้าเผื่อว่าอันนี้แบ่งแค่2 อ, อย่างเองนะี <c oughs> คือถ้าเผื่อว่าเรายังมีอกุศลธรรมอยู่พิจารณาดูดีๆนะีถ้าเราจะตายเนี่ยถ้าเรายังมีอกุศลธรรมอยู่ต้องรีบโดยด่วนเนะี่ยเพื่อที่จะละอกุศลธรรมเหล่านั้นนะีอกุศลธรรมก็มีทางกายวาจาใจา <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วถ้า <c oughs> เราไม่มีเราก็ตั้งไว้ในกุศลธรรมอันนั้นดีแล้วใช่ปะ ดิฉันคิดว่าถ้าเป็นอกุศลธรรมหรือว่ากุศลแบบทั่วๆไปเราก็พอจะคิดกันได้อยู่นะคะมีไหมคะที่เหมือนกับว่าเส้นผมบางภูเขานะ่ยจริงๆแล้วเป็นของไม่ดีแต่คิดว่าดีนาทีสุดท้ายก่อนตายต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นอกุศลให้ได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นอยู่คิดว่าไม่ดีแต่จริงๆแล้วดีต้องค ว, ว้าไว้ให้ได้อย่างเงี้ยคะ่ะเออเช่นอะไรอาจจะมาดูไม่ออกยอย่งยงางสมมติ เรื่องของความชัดเจนเรื่องความดีความไม่ดีนี่ก็เอามักแปมาวัดกุศลอกุศลยนี่มาวัดอยู่แล้วนะค่ะเเพราะฉะนั้นอย่างเช่นใช่มัสมัชฐานประเด็นที่อะไรมันนอกมักถือว่าไม่ดีละมันชัดเจนตรงนี้ค่ะค่ะงั้นท่านขออนุญาตเลยครับไปเร็วๆเกี่ยวกับเรื่องมักให้คนพอเข้าใจอ๋ออมากคือฟังวันนี้วันเดียวได้เลยค่ะมักหมายถึงเส้นทางนะคือเส้นทางที่จะไปถึงความพ้นทุกได้นะอนดับแรกก็สมาธิิ สัมมาสังกปะ2 อ, อย่างแรกเป็นเรื่องของปัญญาถัดมาก็เป็นเรื่องของกายแต่เป็นเรื่องของศีลก็คือสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะแล้วก็สัมมาวาจาแสา3อย่างถัดมาอีก3มอย่างถัดมาเป็นเรื่องของพลังจิตเรื่องของสมาธิก็คือสัมมาวายมะสมาสติตแล้วก็สมาสมาธิพูดง่ายคือปัญญาศีลสมาธินั่นเองนะคะนะ งั้นจําอันนี้ดีกว่าศีล ส, สมาธิปัญญาได้เหมือนกันคว้าไว้ให้ได้ใช้เป็นหลักในการพิจารณาให้ได้จะได้ไม่ต้องก้าวล่วงไปในทางอกอุศลค่ ะ, ะทีนี้สําหรับคนที่จะใช้ความตายเป็นเครื่องเตือนสตินะว่าเป็นเตียวทุตียวปะทุยะทอย่างที่เราพูดกันเนี่ยก็มีในยันหนึ่งที่พุทเจ้าได้พูดถึงว่ามันมีอยู่ 4- ีหประเภทแตนะที่ว่าอย่างเราเห็นข่าวในนั่งสืบพิมพ์แล้วเรารู้ตัวแล้วเฮ้ยฉันต้องทําความดีอันนี้ก็คือประเภทหนึ่ง แต่บางคนเนี่ยไม่รู้สึกตัวเนี่ยต้องเห็นต่อหน้าต่อตานะีคือคุณขับรถไปเห็นรถมันสวนมาตุม้มคนตายคาที่เห็นต่อหน้าต่อตาคาตางี้ถึงจะค่อยระลึกได้ว่าตัวเองจะต้องทําความดีแบบนี้ก็มีค่นะหรือว่าคนอีกประเภทหนึง่งต้องญาติตัวเองเนี่ยต้องตัวเองคนที่เรารู้จักญาติเราคนที่เรารักจะเป็นภรรยาเราสามีเราหรือลูกเราตายอันนี้ถึงค่อยรู้ตัวว่าตัวเองต้องทําความดีนะประเภทที่3ก็มี หรือประเภทที่สี่ตัวเองเนี่ยจ่ออยู่แล้วนะหมอบอกคุณเป็นมะเร็เงขั้นสี่มีเวลาสามเดือนนะหรือว่าเป็นโรคอะไรหรือว่าอายุมากแล้วนอนงาบงาบอยู่แล้วเนี่ยตัวเองจะตายแล้วเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าฉันต้องทําความดีนะมีสี่แบบเราจะเป็นแบบไหนฟังกันนะค่ะยังเคยไปดูงานศพของคนคนหนึ่งนะคะอั ด, อดเทปตัวเองไว้เล่าเรื่องว่าครั้งหนึ่งจูๆก็เหมือนกับวูบไปเสียชีวิตไปแล้ว แต่กลับฟื้นขึ้นมาได้หลังจากฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาพูดอัดเทปก่อนตายอีกครั้งหนึ่งแล้วตายจริงๆนะคะว่าต้องทําความดีให้เร่งทําความดีในงานศพก็เปิดเทปตัวเองพูดนี่เลยค่ะอันนี้เป็นบุรุษอาชานัยประเภทที่4ี่ยังมีความเป็นอาชานัยเยอะเพราะว่าตัวเองใกล้แล้วก็ยังรู้ตัวระลึกได้ว่าฉันต้องทําความดีอันนี้ดีมากในเมื่อเราท่านๆนะคะก็มีท่าน พระมหาภัยบูลเนี่ยนำเอาความรู้ที่พระพุทโธได้ตรัสไว้เป็นพุทธพจน์พุทธวจนะเนี่ย น, นะคะมาบอกกับพวกเราแล้วว่าเราควรทำอย่างไรถึงจะทำให้ไม่เสียทีเปล่านะคะเห็นคนตายก็เห็นให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเสียโอกาสนะคะไม่ต้องมารอให้เหมือนกับกรณีสุดท้ายใช่คะว่าต้องชีวิตเฉียดตายจริงๆซะก่อน แล้วถึงจะนึกขึ้นได้เอา<ช>ไว้ว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนแล้วก็ไปเร่งทำก็แล้วกันใช่ไหมคะใช่นะคะก็คงจะพอแก่เวลานะคะวันนี้เรีย<ช>นผ่านกราบนมสักการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งคะ่ะเรียนผ่านทานผู้งที่ครบคะแล้วเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์จากการที่เรามาสนทนากับพระมหาไับุญอภิปุโนในเรื่องของความตายในความหมายที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้แล้วก็เป็นรายละเอียดที่จะทําให้เรารู้ วิธีที่จะปฏิบัติแล้วก็ทําให้เรารู้ได้ว่าความตายที่เรากลัวกันนะักกลัวกันหนาและคิดว่าทุกคนจะต้องพบจะต้องเจอความตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยแต่สําหรับคําสอนของพระาศาสดา ข, ของเราแล้วมันไม่เที่ยงนะมันไม่ตายก็ได้ถ้าแก้ที่เหตุคือไม่มีการเกิดแล้วพระพุทธองค์เนี่ยมีคําสอนที่จะทําให้เราไม่ตายได้ นะคะก็ต้องติดตามรับฟังศึกษากันต่อไปเรื่อยๆสาหรับคนที่ยังไม่ทราบรายการนี้สัสนีสนทนนะคะที่ฉันสัสนีน้าคพง์เป็นผู้ดาเนินรายการติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้พุทธวสสวัสดีค่ะ